งงไหมครับคือดุลยภาพนั่นเองเป็นศูนย์ผมใช้กำปั้นของเราดันดันกันผลรวมจากสองสิ่งประสานก็เป็นศูนย์เท่าเดิมจริงไหมครับนับ่นกฎดึงคองสมดุลนั่นเองครับที่มีค่าทำให้ให้แรงดันกรแรงดึงแรงผลักกระแรงมีผลเท่ากับศูนยน์ดัง้นเมื่อกายกับจิตประสานกันดีนะครับโลกชีวิตจักรวาลทั้งหมด จะกลับกลายเป็นสิ่งที่เส ม, มอภาคกันหมดดังนั้นท่านใช้คําว่าทำทำแปลว่าทุกสิ่งครับหมายถึงชีวิตกายจิตอารมณ์ <c oughs> โลกที่เราอาศัยอยู่และจักรวาลทั้งหมดดังเมื่อเรานั่งสมาธิหรื อ, อยืนหรือนอนนะครับเรากําลังประสานสิ่งหลากหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเข้าหากัน มันเข้าหากันสนิทแนบแน่นเหมือนที่เราเอานมแล้วเราเติมน้ำแล้วตีเข้าหากันนะครับเราจะแยกมันไม่ออกเลยนั่นคือสิ่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้เข้าไปสนิทกลมกลืนกับธรรมชาติเราเรียกเข้าถึงตัวธรรมชาติเข้าใจไหมครับแต่ตอนนั่นคิดว่าเออเราจะเข้าถึงธรรมชาติวันนี้เตรียมเป้เตรียมรองเท้าบูทถือไฟฉาย พาเล่าไปด้วยสักสองสามแสนเข้าไปที่เขาใหญ่เรียกว่าไปชื่นชมธรรมชาติอย่างนี้ถูกผลักห่างออกไปอีกแล้วคิดว่าเราจะไปชมวิวนี้เลยนั่นคนละเรื่องครับอย่างนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติแต่แลบลิ้นเรียเปลือกของธรรมชาติครับเ <laughs> มื่อเราไปดูทิวทัศน์เนี่ยนั่นเราไม่ได้เข้าถึงมันดังนั้นเราเพราะว่าเราไปพัทยาไปนอนริมทะเล นอนก็นยิ่งแห้งใจหนักขึ้นเพราะยิ่งนอนไปข้าลรงแรมมันทวีขึ้นทุกวันกระเป๋าแห้งล ง, ง, ลงธรรมชาตินั้นเข้าถึงโดยธีนั้นไม่ได้ครับมนุษย์กระหายหิวธรรมชาติจนกระทั่งถลมภูเขาลงสร้างที่พักที่เรียกว่ารีซอร์ทอะไรตอนี้อะไรใช่ไหมครับนั่นยิ่งทำลายธรรมชาติลงทุกทีจริงนะการเข้าถึงธรรมชาติง่ายนิดเดียวครับ ทั้งธรรมชาติภายนอกทั้งภายในนนั่นก็คือเราเข้าหาดุลของเราเมื่อจิตใจเราดีผุดพองจํสาสนะครับธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกจะถูกบํารุงถึงสิจีนนี่ว่าเมื่อคนดีเกิดขึ้นในแผ่นดินป่าเขาเขียวชะอุ่มลำธารใสสะอาด คำพูดนี้ดูค้ายพูดเล่นแต่ผมคิดว่ามีความจริงลึกซึ้งมากครับเมื่อสมพันวัดใจดีนะครับต้นไม้ในป่าในลงลืน่นในในวัดในอารามเนี่ยและน้ําก็ใสแต่ถ้าไปวัดไหนที่ลงคลุมหมากกัดกันเกลียวแล้วก็สันนิษฐานหน้าสมพา น, พานม่นเคยเอาไหนเท่าไหร่เรงมีทําไปเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตสังคมโลกจักรวาล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 ท, ที่ออกจะพิลึกอีกข้อหนึ่งคือผมคิดว่าต้นไม้เหล่านั้นทุกกระทมใจในใ น, ในพฤติกรรมของมนุษย์จนไม่อยากอยู่ร่วมโลกคิดว่าจะงมงายไหมครับครั้งหนึ่งนที่ที่ผมอยู่ริมทะเลต้นน้อ่วงหินผาเนี่ยกลอนผมขอร้อยพระสวดมนต์ทุกเย็นที่ใต้ต้น อีกเดือนเดียเนะีเขียวชุ่มขึ้นมาชาว บ, บ้านเลือว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จริงต้นไม้ก็คือชีวิตนนะเพื่อนเราเนมะื่อเราเขาได้ยินเสียงสวดมนต์โดยกระแสเสียงเขาคงไม่เข้าใจความหมายของมนต์แต่โดยกระแสเสียงที่ ท, ที่สงบราบรีบร่นคลื่นนั้ น, นทําให้ต้นไม้รู้สึกร่าเริงขึ้นมีกําลังใจที่จะอยู่พี่ชาครับจะพบต้นไม้ทางเหนือของแคนดาและเยอรมนี ผมคิดว่ามันคงเกรียดมนุษย์ไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกทุกข์ทรมันก็ตายกันเร่มีเหตุผลนะครับคขายังงงกันมากมันตายได้ยังไงเนี่ยชวนกันตายเป็ น, ปนแสนๆไรเพราะมนุษย์ในโลกนี้มันกงเร็วซ้มลงนะว่ามจริงๆนะดูให้ดีๆครับถล่มกันด้วยนิวเคลียร์บ้างเด็กๆ เิ่มกันตาเอาขี้วัวปาหน้ากันไม่เท่าไรเดี๋ยววันล้างออกแต่นน้นเิ่มเอานิวเคลียร์ปากันมันไม่ได้เพียงในคนสองคนนะครับทีมนี่ประสิทธิภาพของระเบิดปรมาณูมีประมาณห้า0มืนเท่าของที่ลงที่ฮิโรชิมาครับแสดงเรื่องนี้มันอยู่ด้วยความหวาดกลัวเมื่อจิตใจของผู้นำทางการเมืองหรือผู้คนกลัวซะแล้วเนี่ย ต้นมาจะอยู่ได้ยงไงคิดดูที่ลอนดอนนั้นมีเรื่องง่ายเศร้าแกมทุเลตเกิดขึ้ น, นครับตอนเช้าๆจะเห็นชองกฤษที่ไปทำงานถือถื อ, อตู้เสื้อผ้าพลาสติกเราเคยรู้จักใช่ไหมครับตู้เสื้อผ้าที่เป็นพลาสติกเมื่อคนไปถามเอามาทำไมเขาจะบอกว่าผพืประมานูนองผมจะได้ขังตัวเองในทู่ ไม่รู้จะพึ่งอะไรกันแล้วเข้าใจไหมครับเพราะว่าข่าวเรื่องจัถล่มเงินนี้เป็ น, <ม> เ, ปนเป็นลายวันนะเนี่ยดงั้นผู้คนวหวาดผวามาดูนะครับเรื่องคําพูดนี้น ม, ม, มันดูคล้ายๆคนบรัรยาอ่อนพูดเมื่อใจดีโลกจะดีแล้วพูดกันอย่างนี้นะฮะเมื่อใจเราเสียโลกนี้ก็จะเสียด้วย แต่ม่มีคมจริงที่ลึกลึกซึ้งมากๆเลยเเราใจดีนะครับเรามีดุลยภาพที่ดีในตัวเรามีสมาธิมีสติมีสัมพัญญามันก็มีอำนาจหนึ่งเกิดขึ้นที่เข้าไปควบคุมสัญชาตญาณใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นนะไม่มีอำนาจอะไรที่คุมสัญชาตญาณอยูนอกจากคุมแล้วมัน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 รู้เห็นตามที่เป็นจริงนี่ในสุดมันก็ถอดถอนสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันก็เรารู้สึกล้คลายเครืองในตานะครับเรารู้ขึ้นมาแล้วว่ามีบางสิ่งแปลกปลอมเขามาในตาเราเราตั้งหลักได้ต่อมาเราก็เอาของนุ่มๆค่อยๆดึงไอ้สายออกจากตาให้ใจมันครับมันก็เกิดการถอดถอนอุปสรรคนออกหืหนามที่ต่ำเข้มาในเท้า คนธรรมดาสามัญเมืถูกน้าต่ำเขาย่อมรู้จริงไหมครับเมื่อรู้แล้วก็พยายามที่จะใช้หนาหรืออะไรเองเนี่ยดึงถอดถอนมันออกมาเมื่อมีสติปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงครับย่อมรู้ทุกโทษของสิ่งทงปวงย่อมรู้คุณของสิ่งทุงปวงแล้วก็ย่อมรู้กรรมวิธีที่จะถอดถอนโทษของสิ่งทุกวงได้ ไ, ไ, ได้เองนี่นะครับ ย่ความทุกข์ไ ม, มีใครชอบมึงครับผมเชื่อไม่ไม่มีแน่ดังนั้นพราะเราเกิดทุกข์ขึ้นมาสติเราดีเราเห็นไม่ช้าไม่นานปัญญาเราจะเกิดมันรู้ว่ามันสาวจากผลไปสู่เหตุได้ครับคือถ้าผลอันนี้มันเพราะอะไรนาะวันนี้ไม่รู้อเอาพรุ่งนี้เจริญติต่อไปปีนี้ไม่รู้สิปีข้างหน้าในสุนทจับได้อออันนี้เองเข้าใจไหยครับ เหมือนเราเอาเหมือนก็ฉายภาพยนตร์บนจอเนะี่ยเราดูดูนานเข้าเบื่อเราก็ค่อยถอนสายตาละสายตาจากเรื่องรลา น, นค่อยไต่ไปตามลาแสงเข้าใจไหครับเดี๋ยวก็เจอเครื่องฉายพอเจอเครื่องฉายเจอคนฉายครับอยู่ข้างหลังเครื่องฉายเข้าใจไหมครับเพราะผลย่อมมาจากเหตุผลเกิดลอยๆนี่ไม่มีครับคนในเดชครั้งพุทธกาลนั้นเขาเชื่อเรื่องผลเกิดลอยๆเช่นเขเชื่อว่า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 นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมาอย่างยิ่งใช่ไหมครับดังนั้นคนที่เจริญสติตามแนวทางพุทธศาสนานะครับบุคคลฉะนั้นย่อมถึงซึ่งความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเห็นและตัวเองกระทาเช่นพรัสติดีๆขึ้นมันเห็นทุกข์เอาละทุกข์นี่ไม่มีไม่ ม, ม, มีใครไม่รู้แม้แต่หมายังรู้ทุกข์นะไปดูมันไปนอนตรงไหนหมดกัดมันทุกสะบัดก้นสะบัดหางไม่มีใคร <c oughs> ไม่รู้ครับ ทุกก็คือความร้อนร้อนความทุรนทุรายความเหี่ยวแห้งใจความโทมนัสเศร้าใจหมุนมองหดหูความเกลียดเป็นทุกข์ความกลัวก็เป็นทุกข์ความทุกสิ่งอย่างที่เราจับมันได้แต่ถ้าสติตไม่ดีมันจับได้ไม่มากครับทีงเคยมาด่าก็เป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้าคนสติดีๆจะเห็นว่าแม้ไม่มีปัจจัยภายนอกนะครับมากระทาเราอาหารเราก็ ดีๆเครื่องเสื้อผ้าเราก็สวยๆบ้านเรือนเราหน้าอยู่แต่ยังมีอะไรที่ร้อนๆอยู่ด้วยเข้าใจไหยครับนี่ความง่งๆทึบๆความไม่แจ้งฉานในใจ น, นั่นก็เป็นทุกข์คุไม่ได้ดึงปรารถนารวงพวอมความยึดติดความสร้างเรื่องขึ้นเองที่เรียกอุปาทา น, นครับความสำคัญตนผิดพลาดไปจากธรรมชาติเข้าใจครับ คิดตัวเองสําคัญคิดตัวเองไม่สําคัญคิดว่าตัวเองสําคัญเท่าเทียมกับคนนั้นคิดตัวเองสําคัญน้อยกว่าคนนั้นคิดตัวเองสําคัญเหนือกว่าคนนั้นอะไรนี่เป็นความสําคัญตนถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวทางความคิดเช่นนี้เนี่ยเราจะเราจะจับได้มันเป็นทุกตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมครับต่อให้เราเหนือกว่าเขาแต่พอคิดว่าเราเหนือเขาก็ร้อนทั้งๆที่มันจริงเข้าใจไหมครับแต่พอเปรียบเทียบซะนั้นเนี่ยร้อนขึ้นมา หรืตัวเองด้อยเขาคิดว่าเหนือเขาไอ้ น, นี่มันเรื่องโงค่ครับแต่นะตัวเองได้อยเขาครลายจะรู้จักตัวเองตัวเองได้อยเขาก็คิดเปรียบเทียบทุกทันทีจริงไหมครับวันนี้โพสติดีๆเราจะเห็นการเคลื่อนไหวทางความคิดความคิดนั้นก็พกพ่วงความทุกข์ทรมานมาด้วยจนกว่าเราจะตัดความมึนพันตรงนี้ได้ครับมันคิดล้วนๆเท่านั้น ไม่มีความยึดถือไม่มีความโพฝันเหมือนก็เหลือที่ลั่นไปแล้วนายเรือคนถือท้ายที่ฉลาดตัดสาลายที่มัดหางเสือเข้า ใ, ใจไหมหางเสือใครไม่รู้จักบ้างครับถึงสาลายสาลายมัดมากๆก็ไปไม่ได้ครับเขาต้องตัดออกกระจายออกเรือ น, นั้นก็ลั่นไปได้ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็หมายถึงว่าวันนี้เราคิดอะไรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเป็นทุก แต่ว่าถ้าสติยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดจะหาความสุขก็เป็นทุกข์ครับิดว่าเออคืนนี้จะไปเที่ยวดิสโกเทกที่ไหนนาะพอคิดปับ๊บก็คิดว่าเอ๊ะแล้วในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่แล้วเริ่มสับสนแล้วคิดจะสร้างบ้านใหม่ร่วงอีกแล้วคคิดจะต่อเชนโรงทำนี้ท่านอาจารย์สคิดจะติดมุงลวด พอคิดป่ากวก็แล้วองเงินมาจากไหนล่ะเข้จ่ายไมครับแต่ว่าถ้าไม่มีประทานรู้ศิลปะแห่งการรอคอยคไม่ถูกคิดได้เพราะว่าห้องนี้น่าติดมุ้งรวดนะติดมุ้งลวดง่ายด้วยครับแล้วได้ปฏิบัติสะดวกยุง่งไม่ต้องมานั่งเกากันแกลกๆทบทวนใหม่ีทีหนึงครับว่า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 เหมือนว่าผมคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยตอนมาเห็นนึงคิดถึงเป็นบ้าเป็นหลังเลยถ้ามานั่งตามดํานี่มันไม่ต้องคิดถึงมันอีกแล้วก็เห <c oughs> ็นอยู่ตรงนี้ไปคิดถึงอะไรจริงไหมครับจริงไหมคุณสีสมอร <c oughs> ทักกลัวจะง่วงครับวันนี้ถ้เราเห็นมันมันจะสิ้นสุดของความคิดถึงสิ่งนั้นนะั้น เมื่อเราเห็นตัวเองในธรรมชาติมันหมดความคิดเรื่องตัวเองครับเข้าใจั้มครับถ้าเราทำแหวนที่เราลักมากหายนะครับเราจะคิดถึงมันมากเลยตอนที่อยู่ในนิ้วนะบางทีมีคิดถึงบางทีใช้ตบหน้าเพื่อนด้วยไม่ลือนะก็เดี๋ยวมันถูกแหวนถลอกไม่ได้คิดว่ามีแหวนทีนี้ก็พอมันหายไปเนี่ย แหวนซึ่งไม่ปรากฏให้รับรู้เนี่ปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงในความรับซ่องเราใช่ไหมครับมโนภาพมโนคติต่างๆเกิดขึ้นของไม่มีเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วครอบงําชีวิตของเราด้วยบางทีเดินหาแหวนไม่เห็นสิ่งอื่นเลย น, เน้ําเหนิมเหยียบทรงเดชเข้าใจไหมครับทีนี้พอพบแหวนแหวนกลับเข้าในนิ้วมันจะเลิกคิดถึงแล้วก็มันมีแล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวกับทุกคนมีหัวกะโหลก คนละหัวเราไม่ได้คิดถึงหัวกะโหลกของเราถ้าใครจะเดินเถาาคุณเห็นหัวกะโหลกผมยุ่งกันใหญ่เลทนีนี้คือเมื่อเรามีมันเราเห็นมันเป็นมันก็หมดสิ้นความคิดเกี่ยวกับมันแับ น, นี้เราเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นตัวเองมันก็หมดสิ้นความคิดเรื่องตัวเองนั่นดีครับเมื่อเราเป็นทุกข์ไม่ใช่อะไรอื่นมันคิดถึงตัวเองมากเกินไปนี่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 มันอยากจะวัดความลึกของน้ําสมมติว่าเป็นตุ๊กตาน้ําแข็งมันก็พุ่งหัวงในน้ำเมื่อช้างน้ําำละลายกลายเป็นน้ำเพราะธาตุแท้งมันก็คือน้ําจริงไหมครับในน้ําแข็งกับน้ําก็เลยรวมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวเรากับเราไอ้เราตัวหนึ่งคือตัวที่รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาแล้วก็เราอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติ เมื่อมันหลอมก็หาการในสุดมันกลายเป็นธรรมชาติหมดสิ้นเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเรานั่งคิดว่าอ๋อชีวิตเป็นทุกขังนินจจ์ไอ้นี้ยิ่งแชกหนักขึ้นอีกเข้าใจไหมครับการปฏิบัติกับการคิดนึกเรื่องการปฏิบัตินี่ต่างกาันการตั้งท่าจะขึ้นชกมวยกับการชกมวยในคนละเรื่องจรงิงไหมครับ พวกที่นั่งเชียร์จะลอกเวทีนี่มันมากแต่นั่นไม่ใช่นักมวยครับนักมวยคือมันไม่มีเวลามาตั้งท่าเราอาจจะเรียนท่าด้วยครับที่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติธรรมอะไรนี้นนะหรือทฤษฎีเรา ก, ก็เรียนได้แต่ทฤษฎีมัเรื่องนิดเดียวครับผมจะสอนพุทธศาสนาด้วยทฤษฎีเพียงหนึ่งประโยคนี้จะจบแล้ว เนื่องจากมนุษย์สมคันตนผิดพราระจากธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นทุกข์เมืนนม่อใดมนุษย์พัฒนาสติสมบูรณดีขึ้นกลับเข้าสู่กฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติดังนั้นสิ้นทุกข์จบแล้วพุทธศาสนาเข้าใจงั้นก็เท่านี้และทฤษฎีแต่ถ้าให้แจกจาก็มันก็ไม่รู้จักจบสิ้นต้อง เ, เข้าใจเช่นนี้นคะครับการจบสิ้นนั้นจบสนนิ้นด้วยการปฏิบัตินะ ปฏิบัตินี่ถือกันนะว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะดูว่าเราเขาปฏิบัติอันนี้ครับลองปฏิบัติกันอีกจำไว้ดีนะครับเราปฏิบัติเพื่อกลับก็สูบดุลในตัวเองนะเพื่อจะเห็นภาวะที่เป็นเองเพราะภาวะที่เป็นเองนั้นไม่ใช่ภาวะที่เราอยากให้มันเป็นดังนั้นต้องทําเล่นๆครับ ทำเล่นแต่ว่าทําจริงๆคําพูดชนนี้ที่เรียก่ปกปันนะครับว่าทำเล่นๆแต่ว่าทําจริงๆคนเพิ่งได้ยินองไรพูดยังไงพูดกลับไปกลับมาสลับปรับเอาเป็นอย่างนั้นสีกทำมันเล่นๆอย่างนี้ เวาลาพักคือนั่งเฉยๆไม่ต้องปฏิบัติและไม่ต้องคุยขายด้วยการพักเช่นนี้นมีผลเป็นการปฏิบัติด้วยถึงว่าเราปฏิบัติเกิดเมื่อทําเปลี่ยนท่านั้นเปลี่ยนรื่องบทนี้แล้วเราก็นั่งเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรนะแล้วความรู้สึกตวงจะดีด้วยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ อากพนันั่งนเดี๋ยวเรก็คุยกันอย่างนี้อย่างนี้จะไม่รู้จักเลิกปฏิบัติในเวรานสมควรนะเช่นรู้สึกเบื่อเบื่อขึ้มาที่ต้องเดินที่จะต้องนั่งก็เลยปล่อยนั่งเฉยๆแล้วโอกาสที่จะรู้ชัดเนี่ยอยู่ตรงนี้คือตอนปฏิบัติมันจะไม่รู้เพราะมันมัวมัวทําตามแบบแผนแต่ตอน ปลอยๆลืมๆตัวนี่ๆๆตัเดี๋ยวมจะเห็นอะไรบางสิ่งซึ่งซึ่งแปลกคือเห็นความเปลี่ยนแปลงงไงเช่นแบบนี้เรานั่งเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติอะไรแล้วก็ตัวเบาๆนะฮตอนปฏิบัติมันมันจะหนักครับเพราะมันเป็นภาระอันหนึ่งตอนเราปฏิบัตินี่ยมัน คล้ายๆเรารับผิดชอบอยู่มันก็หนักๆทึบๆชอบกลนใครช่วยช่วยเปิดพัดลมหน่อยได้ไห ม, มดูดไล่อากาศครับอากาศที่มันอับอับ ไปใ ห, ให้อากาศจะได้ถ่ายเทต้องตั้งใจฟังอีกนะครับบางประเด็นเวลาฟังเนี่ยฟังด้่ดีฟังด้วยดีก็คือฟังแบบตัวคนเดียวโดดเดียว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 เราต้องหัดที่จะเั่งพักผ่อนคนเดียวเ <c oughs> พราะแม่รู้สึกมันสุขมากมา น, นั่งคนเดียวที่เฉลียงบ้านหรือที่ใต้ต้นไม้รู้สึกช่ำๆแถวผิวหนังถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจมานั่งด้วยสักคนก็ไม่ได้ลังเกียจแต่ว่าถ้าคนที่ชอบชืนจาน้าก็เดินนะ ถาห น, นี้ได้ก็ต้องลุกหนีถ้าห น, นีไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งรหัสพักผ่อนแบบผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจไมครับอย่างสมมตเราไปพักผ่อนพัทยาหาหนังสือนวนิยายไปอ่านเล่นอ่านเมๆกันหลับหรือลิงหาดเอาหนังสือปิดหน้าแบบก็ฝังอย่างนี้ไม่ไม่เรียกการพักของผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นยังยินดีในวิเวกประโยคนี้วิเวก ค, คือรู้สึกกายวิเวกจิตวิเวก ค, คือกายยันเป็นเอกขึ้นมาจิตเป็นเอกขึ้นมาแล้วก็อุปัติวิเวก ค, คือเราข้าวหายมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะคือไม่ได้ยึดถืออะไรไว้ตอนที่เราปฏิบัตินี่เรายึด เรายึดฟอร์มการปฏิบัติแม้เราจะรู้สึกเต็มใจแต่จริงๆเราก็ยึดและจำเป็นต้องยึดไว้ก่อนด้วยครับผู้ปฏิบัติมักจะไม่ค่อยรู้ธรรมะตอนที่ปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะรู้ตอนตอนเลิกปฏิบัติมีพระรูปหนึ่งบวชมา25ปีท่านไม่ไม่ได้รับควาสมสงบ ไม่รู้จักตัวเองแนมะ้แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายรับมีดโกนข่าแล้วก็ไปยืนพิงหน้ามไม้คิดจะเชือดคอตัวเองพรมีดโกนจดที่ผิวหนังที่คอในขณะนั้นเองท่านเข้าถึงที่สุดทุกการปฏิบัติเราต้องยึดแบบแผนอันหนึ่งไว้ดังนั้นแบบแผนอันนั้น จกกักรนม่เรารู้จักทุนชาติที่เป็นเองแต่ถ้าเรามีมีแบบแผนเลยเราก็ก้าวต่อไปไม่ได้ครับเหมือนกับว่าเราจะข้ามสะพานไม้ท่อนไม้ท่อนเดียวท่อนกลมถ้าคนเก่งก็เลี้ยงตัวไปจนถึงนะครับแต่คนรรมดาสามันทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องพึ่งราวทุกง ลำไม้สําหรับเกาะแต่ลำไม้หล่านั้นถ้าใครไปยึดไว้แล้วไม่เดินต่อมันก็กลางอุปสรรคทันทีเราจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางแล้วไต่ไปตามลําดับอาการที่เราไต่ไปตามลําดับนี้เอง<ม>เรียกว่าปฏิปทาคําปฏิปทานแปลว่าไต่ไปตามทางไต่ไปทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะ ถ้าได้มาถึงฝั่งโน้นราวลูกกลงไม่จำเป็นแล้วหรือว่าเมื่อไต่ชงนานเข้านานเข้าบากโอกาสไม่ต้องจับลูกกลงก็ได้ไม่ต้องจับราวก็ได้แต่ว่าราวจำเป็นมากครับสำหรับคนเริ่มต้นหรือในขณะที่ส่วนเสดแต่ถ้าคนเขาจะปิดต่อราวก็จับยึดมันไว้มันเลยกลายเป็นเครื่องถ่วง ไ, วไม่ให้ก้าวมาข้าหน้าเข้าใจไหมครับ แต่วเวลาจำเป็นต้องมีเราเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มเป้าหมายนะครับเราประคองอันนี้เป็นแบบเราอาจจะค้นหาแบบฉบับของเราเองก็ได้แต่ว่าถ้าคนสเปะสปะคนเองอยืนสเปะสปะมันก็ออกนอกทางได้ มันต้งองใจฟังสองคนนี้มันนั่งนี้ได้ไหมครับผมรู้สึกเหมือนกับพูดอยู่ข้างหลังต้องเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาใช่พวกกันรู้เรื่องเราา ท, ทวนเรื่องที่ของบรรยายชีย้เนะียแต่ก่อนนะครับชั่วโมงก่อนก่อนเนอะ ไม่ใช่ที่มนุษย์เราสําคัญดนผิดไปจากธรรมชาติไม่เพียงแต่สาคัญตัวเองสําคัญโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่สิ่งของที่เราใช้สอยความสําคัญนั้นความสําคัญผิดนั้นก็คือสําคัญว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเป็นตัวเรา ทีนี้เราลองมาสำรวจ ด, ดวูคำกล่าวของพระเจ้าที่ว่าเนตังมะมะเนสโฮมัสมิทนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูแล้วมันช่างสวนทางกับความรู้สึกสามัญของเราเสียน่กระไรใช่ไหมครับเรารู้สึกกายนี้มันของเราเสื้อผ้าปากกาอไหน